แนะนำบทอัลยุมอฮ์บทนี้เป็นบทมดานียามีสิบเอ็ดองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการส่งสาศาสน า, า, า, าทูตคนสุดท้ายมาคือมูฮัมมัดบุตรอับดุลลอฮ์อลลัลลอฮุอะลายวะสัลลัมแล้วว่าท่านเป็นความเมตตาที่ถูกประทานลงมาให้มนุษยชาติอลัลลอ์ทรงปลดเปลื้องชาวอาหรับให้พ้นจากความมืดแห่งการตั้งพาคีและการหลงทางทรงให้เกียรติแก่มนุษยชาติเพราะท่านศารของท่าน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 สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้ซ้องสดุดีดดอาลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาติ <S <S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 นั่นคือความโปรดปานของอัลลอ์ที่ทรงประทานมันแก่ผู้ที่โปรองทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง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 อินท่านทั้งอันพวกออเลียอลลอฮินดูนอันนาซิะตัมมันลเมาต์ฟะตัมมัลมาต์อินคุณทุซอดีกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ชาวยิวทั้งหลายหาพวกเจ้าอ้างว่าพวกเจ้าเป็นมิดของอัลลาะหอื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไสดังนั้นพวกเจ้าก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิด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 และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยและพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้ า, าทราบถึงสิ่งที่เจ้าเคยกระทำไว้ยยอออออุุนนลดดีมมิะค โอผู้ศร <ốn> oh,, so ัทธาทั้งหลายเมื่อได้มีเสียงอาจารร้องเรียกเพื่อละหมาดในวันศุกร์ก็จงเร่งรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์และจงละทิ้งการค้าขายเสียนั่นเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้วินนนตด ا, เมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปบนผืนแผ่นดินแต่จงสแสวงหาความโรรปรดปรานของอัลลอ์ Allah, และจงดำลึกถึงอัลลอ์ให้มากๆเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ แล้วเมื่อพวกเขาได้เห็นการค้าและการละเล่นพวกเขาก็กรูกันไปที่นั่นแลปล่อยเจ้าให้ยืนอยู่คนเดียวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งที่มีอยู่ณนะที่อัลลอ์นั้นดีกว่าการละเล่นและการค้าและอัลลอฮ์นั้นทรงดียิ่งในหมู่ผู้ประธานปัจจัยอย่างชี